หรือไปเยี่ยมนักปฏิบัติเราพบกันด้วยของจริงคือมันสิ่งที่มีอยู่เราถ้าผิดเราก็ตกไปถ้าถูกเราก็สอบผ่านเกรดดีเช่นท่าพุทธเจ้าสอนเรามาเรียนตามพ่อก่อตามครูเรา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 แล้วเราก็เห็นเงินทุกคนตอนในที่เห็นกายนี่คือจติตคือความรู้สึกตัวกายมันจะได้กันไรมันมีการจะได้อะไรตามมาการของกายตามธรรมชาติของกายเราเห็นหรือเราเข้าเป็นแบบไปกับมันถ้าเราเห็นมีติตก็ถูกต้องผ่านได้า ถ้าเราเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์พวกกายเร mm. ว่าผ่านไม่ได้เกรดไม่ดีสอบตกอสอบตกอย่างนี้ใครเป็นคนตรวจให้ไม่มีใครตรวจให้เราเราตรวจตัวเองถ้าเราเห็นเนี่ยรู้แล้วว่ามันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวมันหิวมันกระหายที่เกิดขึ้นกับไปเรารู้ ไม่เป็นไปกับมันเรียว่าเห็นตอบเข้าไปให้มันสมนหน้ า, มาเมล็กายเว้ากายไม่ชัดจัดบุคคลตัวตนเหราเขาตอบลาหน้ามันอาการกต่างๆไม่ย่ยํายีเราได้ไม่เป็นภัยต่อเรากายที่เป็นภัยกายที่เป็นปัญหาเราก็ได้ปัญญาตรงนั้นด้วย <c oughs> นี่เป็นกันทุกคนเราจงให้มาดูกันถ้าไม่ดูก็ไม่เห็น ร่วมไปกับอาการกต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายมันก็ไม่เห็นล่ละมันก็เมื่อยอยูนั้นไม่เห็นแจ้งตรงนี้เวทนาก็ดีเอ็มเกิดขึ้นรวบรวมเอากายเอาใจมาเป็นเวทนาเอารูปเอารสเอาเสียงเอากลิ่นมาเป็นเวทนาเอาต า, าหู เข อ, อะไรต่างๆอาจนะายนอกไปในซึ่งเป็นประตูรับอาการดุกะเข้ามาเราก็ร่วมมือกับเขาเรียกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ร้อยประตูที่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดกับป่าเราเกิดกับใจเราเราก็รวบยอดให้บ่าเห็นเหมือนกันกับเห็นกายสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่อตนเราก็รู้แล้ว ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาที่เป็นเวทานี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าผ่านได้เกรดดีถ้าเราเป็นแบกรมันไปนสุกเป็นทุกข์ของเราเป็นพบเป็นชาติอยู่ตรงนี้มันก็ไปไหนไปได้โซ่ไว้แก่แกุญแจไม่ไขก็หลุดออกไปได้เลยจิตก็เหมือนกันมีไหมมีมันอะไรจิตอ่ะมันคิด เป็สุขเป็นทุกข์เพราะความคิดเหตุผลเกิดจากความคิดมันหยัดเอาอยากความคิดว่าชอบว่าไม่ชอบเอาความคิดเป็นใหญ่เหตุผลเป็นใหญ่ไม่มีความรู้สึกตัวไปตามอาการของจิตที่มันสังการโดยที่ไม่ใช่ความถูกต้องก็มีอย่างที่เราแยลมโนพังคมาตมามโนเจต้ามโนวายา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 ไม่ใช่สําเร็จประเสริฐถ้าสําชั่วการทําสําเร็จไม่ประเสริฐเลยไปฆ่ากันไปป้นไปจี้ไปโกงเกิน ไ, ไปขมโมยสิ่ของเอากายเอาใจไปทําไปคิดมันก็ร่วงเกินเขาแล้วแม้แต่ความคิดเนี่ยมันก็สั่งงานสั่งการจําเลยหมายเลขหนึ่งคือความคิดจิตใจของเราไปเป็นจําเลยที่สองวาจาเป็นจําเลยที่สอ ง, ท, สองที่สามไปเราจะมาเห็นมันซะ เห็นแล้วก็เป็นจิตที่มันคิดความคิดที่มันที่เกิดจากเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจงงมันเป็นสมุทยัยมันเป็นตัวสังขารอย่าวิ่งตามมันเกินไปเช่นเราเดินจะกลมอยู่เรานั่งสร้างจะวาอยู่มันคิดก็อย่าไปกับมันเห็นว่าอันคิดเป็นตัวหนึ่งตัวรู้สึกตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเวลานี้เราไม่ใช่มานั่งคิด เรามานั่งสร้างความรู้จักตัวมาเดินให้รู้จักตัวเรเดินไปหน่อยตบเท่าซะหน่อยชั่วโมงหนึ่งอาจจะเป็นหมืเก้านตาเดินเท่าเนี่เป็นหมื่นเกาตีสองวาใช่แล้วชั่วโมงนึ่งจนถึงตีขอน่ะอาจจะเป็นหเกลูทุกเก้าหมื่นเก้า ชัวมงหนึ่งหมื่นลูกจะเป็นยังไงถ้ามันหลงไปแย่งไปก็ก็ก็ก็หลงไปกับวมคิดแต่ถ้าเรารู้มีประโยชน์แต่ถ้าเราหลงไปกับบั้นไม่มีประโยชน์เรียกว่าไม่ผ่านถ้ามันคิดไปรู้สึกตัวตรงนั่นเป็นประโยชน์เรารู้สึกผ่านได้เรียกว่าเกรดดีนะทอมก็เหมือนกันทอมนี่คือ ความพอใจความไม่พอใจมันเกิดจากกาจากใจกาเวทนาเรียกว่าธรรมความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเพรา ะ, ะเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาเช่นหลวงบ่อเดียนถูกสอบปลรมเพียงแต่เห็นก็บัญญัติขึ้นมาพอใจ เพียงแต่เห็นบรรยากาขึ้นมาไม่พอใจเพียงแต่ได้ยินทางหูบรรยากาขึ้นมาชอบแล้วยินทางหูบรรยากาขึ้นมาไม่ชอบเรียกว่าธรรมท้งนั้นความพอใจความไม่พอใจเป็นธรรมหัวใจของธรรมนี่เรียกว่าสเพสเ พ, สเพตตัมานัตตายะทัปเปอะไรจำม่ได้ ทำนั่งหลายไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นนะหงอยใจอะไรที่พูดออกมาอย่างนี้คือสติสามัญชะเพราะนั่นเนี่ยมันจะไปบัญญัติว่าทำหลังพ่อเทียนถูกสบอบวอลลมอาจารย์สบอบวอลลมเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรยอมจัง่อขันไม่เป็นอะไรครับโอปบ้ปฏิบัติบ้ามาปฏิบัติบ้าอะไยมันไม่เป็นอะไร ไปเข้าไปห้องกรมรมฐานอีกใหม่หลวงพ่อเทียนก็โอ้ยอาจารย์น่ยมาถามกันอย่างนี้ก็อตอบอย่างนี้ก็โอเสือเปรียบแล้วเราจะต้องตอบให้มันดีดีหน่อยเมื่อไรอาจารย์จะมาถามอีกนาะวพาะหลวงพ่อเทียนประสบการณ์อะไรอะไ ร, ะไรเลยเป็นมาแล้วอะไรเป็นอะไรอะไรไม่เป็นอะไรจากการที่ปฏิบัติ หลายวันรอเพื่ออะไรล่อาจารย์จะมาสอบอารมณพออาจารย์ไปสอบอารมอีกเป็นไงยอมชิงคานมานี่ไปถามก็พูดให้ฟัง ก, ก็รู้แหละครับรู้อะไรรูรูปลู่ลลลน้ำอ้าคนไม่รูรูปลุ่ลลน้ำก็คนบ้าล่ะเอ้าผมเป็นบ้าสมัยก่อนแต่ตอนนี้ผมไม่เป็นบ้าแล้ว ถลูมันรูปทำนามทำมันคืออะไรเพราะการสร้างสติมันเห็นรูปเห็นกายเห็นนามคือใจมันลู่อะไรได้มันเป็นของต่อกันเป็นปัญหาเรื่องรูปเป็นปัญหาเรื่องใจเรียกว่ารูปทานาทํารูปมันทำชั่วรูปมันทำดีนามมันทำชั่วนามมันทำดีมันเอารูปเอานามนี้มาทำความชั่วมาทำความดีแต่ก่อนนี้เอารูปไปทาชั่วแต่ก่อนนี้เอานามไปทำชั่ว แต่นี้ต่อไปจะไม่เอารูปนี่ไปทําชั่วจะไม่เอารูปนี่ไปทําดีเออจะไม่รูปนี้ไปอจะเอารูปทำความดีจะเอาน้ําทํำความดีจะเอาน้ําไม่ทําความชั่วคุยคุยโวไปก็ถ้าจะคุยมากก็เยอ ะ, ยะก็เลยอดไว้หลวงพ่อเทียนอดไว้แล้วก็ถามต่อไปว่าอาสมมุติว่ายมเชียงคานอยู่ถ้าบอก อาตมาอยู่มุกวัดมุกหลังสีสักดาลามเนี่ยอาตมาสังให้โยมยังการมาหาแต่ว่าทางที่จะเดินทางมาจากอถ้าบอกมาวัดเนี่ยมันมีดอนเด๋มีเสือถูกยิงมันเจ็บมันดุมันใส่มันใครมาก็กัดคนตายมาหลายคนแล้วถ้าโยมยังการอยู่ถ้าบอก อาจมาอยู่เนี่ยสั่งให้มาหาจะมาหาไหมก็มาหาสิอาจารย์สั่ง ง, าางั้นยังไงมาแล้วเสียจะกัดเอาเพราผมผมยังไม่เห็นเสือเนี่ยถ้าผมเห็นเสือแล้วผมมาจะดฆ่ามันก็ได้ผมยังเห็นเสือผมจะไ ป, ไปกลัวทําไมผวจะยังอาจจไม่ ไม่กลัวก็ได้ผมจะฆ่าเสือตายก็ได้โอ้ไม่มีใครฆ่าเสือได้มีแต่กัดเสือหลามันกัดก่อนว่าไม่เป็นไรให้ผมเจอก่อนแต่ว่าอาจารย์สั่งมาก็มาอาจารย์ก็ถามตอบอียกว่าเกลือเป็นเช็มไหมเช็มเฉียงคานเือก็ไม่ได้เชียมเลยเกลือมันอยู่ในทอมัน ผมอยู่นี่ผมไม่เค็มเอ้าเกลือมันต้องเค็มแหะพูดอะไรอย่างนั้นเกลือทําไมว่าไม่เค็มมันผมไม่ได้เกลือมันอยู่ในถอต่อเมื่อมากระทบกับลิ้นผมผมใจจริงตอบได้ว่ามันเค็มโอ้พูดดังก็ได้เลยพูดเละ่ะเอาพริกเหรไม่เผ็ดไหม <laughs> ไม่ชี้น้อย <laughs> อพริกก็ไม่เผ็ด อ้าวมาเล้อไปพริกไม่เป็ดดีแล้วเกืือก็ไม่หยาบอ้าพริกมันอยู่ในกระทอร้อนอยู่ต้นมะโน น, ผ ม, นผมอยู่เนี่ยผมจะเผ็ดยังไงไม่เผ็ดเออถามไปตอนนี้เลยหมายควาอย่างไงหมายความว่าเราสมมติปัญญัิพอเขาพูดสรรเสริญดีใจพอเขาเน้นทธอเสียใจ มันปีรถชาติใช่ไหเป็นสุขเพราะสรเสริญมีไหมเป็นทุกข์เพราะเนินทามีไหมบัญญัติเอามีลถชาติเนินทาก็ดีจเสียใจสรเสริญก็ดีใจได้มาก็ดีใจเสียไปก็ทุกข์ใจอะไรต่างๆมันบัญญัติเอาจริงภายนอกมาห้อยมาเขียนไว้ในใจเรเอาใจเราไปห้อยเขียนกับจริงภายนอก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 <c oughs> แล้วว่าเดียงก็ตอบไปผู้ถามก็ถามแบบแบบปรมัตมัไม่ใช่แบบสมมุติทั้งสมมาณมด้วยทั้งสมมติด้วยมันมีสมมุติอยู่ในเรามันมีปรมาตมัอยู่ในเราสมมุติคือบัญญัติเราว่าชอบว่าไม่ชอบเพราะวัตถุภายนอกภายในบัญญัติเราว่าของจริงถ้าเราลักก็ลักจริงๆถ้าเราโกธรก็โกธจริงจร ามตามความรักทาตามความโกรธผมว่าเดียนตอบไปเท่านี้อาจารย์ก็ว่าอานุโมทนาเด้อโยมเชียงคานเอ้ยร้อยคนจะมีหนึ่งคนตอนนี้หมายก็ว่าไงหมายถึงลู้จากปรมาจารยเลยทีเดียวว่าสมมติเนี่ยบัญญัติวัตถุอาการต่างๆมันล้นโลกโลกมันเต็มไปด้วยสมมติด้วยบัญญัติ เราเป็นสุขเป็นทุกข์พอสมควรประหยัดมามากแล้วจึงมาดูมันเนี่ยเห็นธรรมจากว่าธรรมไม่ใช่จัตุคุลตัวตนโลกเขาเห็นไหมผ่านตรงนี้ไหมทุกคนต้องเจอเหมือนกับทางไปตรงนี้มันจะมีอะไรตรงนี้เหมือนทางมาสุขโตมันหลงตรงไหน บางคนเขาก็มาบอกให้เขียนป้ายแล้วก็ยังไม่เขียนป้ายเท่าที่ควรมีอาจนย์นต้องมาเขียนอเจนต์ต้องมาอยู่สี่ห้าปีมาเนี้ยหกปีเจ็ดปีมาเนี้ยก็มาเขียนป้ายแต่ก่อนเราไม่เขียนแต่ก่อนสุโกโตก็เพียงเขียนว่าป่าสุโกโตคนมาหาบอกว่าป่าสุโกโตเนี่ยมันเป็นวัดเลยเป็นบ้านนาะหรือเป็นอุทยานเลยเนาะ เอาป้ายเอาคนมาบอกว่าเขียนป้ายด้วยเขียนป้ายด้วยแล้วไม่ได้เขียนเลยเพราะเราไม่อยากอเอาป้ายไปติดไว้หลักธงชาติแบบนั้นเราก็ไม่ค่อยบานเทียวรูปพระอาจารย์ไปติดไว้ที่ป้ายวัดโชว์เป็นสไลด์ไปตามตนนนั่นดา ง, างเรามาชอบแบบนั้นจนถึงเจ้าคณะจังหวัดมาโมกเขียนวัดที่มันเป็นวัดทําไมไม่เขียนเป็นวัด ทำไมเขียนป่าสุโกโตเลย ม, มาเขียนเป็นวัดป่าสุโกโตที่จริงมันวัดเอราวัณและคนส่วนมากเรียกสุโกโตเพราะว่าขอว่าที่นี่มาดีไปดีอยู่ดีปฏิบัติดีน่ะคือสงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงการพูดการพบกันทุกวันนี้หมายถึงโศบาลลมไม่จําเป็นต้องให้ไปถามเป็นตัวเป็นตัวไป เราสอบตัวเองเราตกตัวเองเราผ่านาเองถ้าเราเห็นกายอย่าเป็นไปกับอาการทั้งหมดอะไรก็ตามไม่ใช่กายแม้แต่รูปรสเสียงเสียงที่มันมีเกี่ยวข้องกับกายกับรูปทำนามทำนี้ให้เราเห็นมันเราจรึงจะอยู่กับโลกอยางสงางาังงามจิตและปัญญาการอยู่กับโลกอยางงดงาม เขาเน้นทาเราก็เขาไม่รู้เนาสงสารเขาเขาเฉินเฉินเราเรารู้ตัวเองกลัวเขารู้เราเราไม่เป็นไปกับเขารู้ไม่ใช่ดีใจไม่ใช่เสียใจเรียกว่าอะไรเรียกว่าโลกกระทคนส่วนมากตกอยู่ในโลกกระทคล่องงำอะไรโลกกระทำบ้างความอย่างที่เราสวดอ่า เราอะไรที่ยอดว่าเราตกข้องมามแล้วความเจลาญแจะเท่านำเข้ามายั่งเยือนจ ะ, จะต้องพัดพาจากของลักของจอบใจตั้งนานอะไรที่เราสวดไปนะมันเป็นโลกก็ท ร, รมันอยู่ในเราก็สังขารโลกรูปโล ก, โลกมันไหลไปเลื่อยสู่ความแก่ความเก็บความตาย ไม่มีใครป้องกันได้บางทีเรายังไม่ตายยังไม่เจ็บก็กลัวแล้วทุกแล้วยังไม่เป็นเลยก่อนนึกถึงความเจ็บก็กลัวแล้วหรือว่าเช่นเขาหมอคนหมอจะมาฉีดยาให้แล่วกลัวแล้วยังไม่จะฉีดเลยกลัวแล้วมาลองตาคนบ้าไปฉีดยาแต่ก่อนมีคนบ้าอยู่นี้คนเล่าคนเล่า ก็เราอยากจะดูแลรักษาพาไปหาหมอที่จิตเวชก่อนเขียนหมอก็จะขีดยาให้พะเอาไปขีดยาขึ้นเตียงหมอเอาเข็มยาโดดลงเตียงน่ะดิวิ่งออกประตูไปเยืนอยู่น่ะ อ่าลงไปบาบาลลานยาขี่มือว่าโตมันจะฆ่ากูเลยเนะ่ะกูไม่รู้นะถ้ากูรู้ไม่ทันวันกูตายแน่นอน <laughs> อะไรขี่มือขี่ม้ออาอยู่โวยยโวายอย่ามาโกรธหลวงพ่อด้วยมาโกรธหลวงตาด้วยว่าอาจจเจ้าให้เขาไปฆ่าอะไรไปพู้ตรวจะไงดีหหมอหมอบอกว่าเอาตำรวจนะเอาตำรวจมาจับแล้วม า, มามัดมันไม่ขีดจ่ให้มัน กี่จ่ให้มันนอนหลับจ้าก็เลยเอเอเราจะกพามันกลับบ้านเนี่ยจะทำไงถ้ามันนอนไม่หลับมันจะโตดลงรถเหรอมันจะตายเลยไปไงเลยจะฆ่าเราจ้าเ้าก็เป็นหนุ่มแล้วเราก็แฉแล้วก็ไปกับคนขับรถสองคนก็ เ, เลไปพูดเฮ้ยจอยเฮ้ยมึงเนี่ยดีๆไปกูจะพามึงกลับบ้าน อยู่นี่ได้เลยเขาจะฆ่ามึงเลยเอ้ยมันจะฆ่าเราน่ะไปไปกูจะพามันกลับบ้านไปขึ้นรถเร็ววิ่งวิ่งขึ้นรถปิดกระจกปิดประตูหลังนะไม่มันข้างั่งข้างหน้าด้วยนะแต่ก่อนให้มันนัางเกลีข้างหน้าด้วยเอาเนี่บอกไวปลังข้างหลัง <laughs> ไปไปรีบเลยไปบอกหมอคุณหมอเอาอย่านอนหลับให้อาตมาอาตมาจะไปให้หมอทำอะไรคิดให้ที่จ้างอาจารย์เพ่อายาน หลอกมันขึ้นรถขึ้นรถปีประตูหน้าต่างก็ไม่เปิดเลยมึงจะเปิดหน้าต่างนะมันล่อนสั้างหมอมันมันล่อนอยู่นี่แหละไอ้เบี้งมา <c oughs> มาถึงวัดป่าจุกโตเปิดหน้าต่างออกเงื้อไหลส้มเลยจนหน้ามันแล้วก็วันต่อมาก็พาไปหาหมออนามัยเอาอีกมันเดิมแหล่ะพอไปอนามัยพอจะกิจจาก็ตะลตุนลงใจวิ่งมาท่ารถ พอดีรถโดยสารจอดอยู่ลุนตากระเด็นา่าบอกว่าจับปักจอยให้นี่ไง ว, ว่าก็่วกัคนโดยสารก็รูปจับมัดเป็นอะไรทำเปันหิวมันขึ้นอ่าแต่สารเนีใ่ใหม่เออขีดจาให้ลิ้นมัดไว้จับละลายก่อน พอชิดาาาจาร์แล้วเ อ, อ, นะอ้ยมเอ้ยแมเอ้ยเขาจะคาใคแล้วเมา่อชอยคนนั้นเอ้พอคนบ้าก็ชิดเด่มก็เอ้ยก็จะโนกดีเลยหัวลก่ะเ่ยพอชิดจาแล้หลหละะวลไปไปหัวล็อกอ่ามอบอกว่าเอามันขึ้นรถไปเแล้วมันจะหลับอกขหลนรกลับมาวัดจกโตลากคอมไนอนที่จะะันหลับสงวันสงคืนอา้าจนนหน้ามึงเลยว่าเออไปก็ไปหายจาวนี้ เดี๋ยนี่ไม่อยู่นี่แล้วร้อยไปอร์เนแล้วเป็นว่าอยู่จ้งข้อกินน้ำตะครองในตลาดไม่เบื่อไม่เมาเลยไปกอบกินน้ำไหลตบตลานตราดสดดูดตามกินของเจอของเหลือไปนอนให้วยงก่อนไม่มีอะไรเลยเลือดบ้าหมาบ้ากัดก็ไม่เป็นบ้างูกัดก็ไม่ปวดพวกเนี้ยมันเป็นบ้าเลือดบ้ามัน เราไปกินน้ำไหลจากตลาดนี้ยก็ท้องเสียแล้วพราะวาเต็มร้อยเลยอันนี้ไหมครับกลัวพอเห็นเข็มเราก็กลัวยังไม่ถูกเราเลยเราต้องไม่ต้องกลัวเลยลนะอ้าวเจ็บก็เจ็บไปอ้าวปวดก็ปวดไปแล้วไม่ทุกประกอบเจ็บเราไม่ทุกประกอบก ป, กปวดเราไม่สุขเพราะอะไรทั้งสิ้นในโลกเนี่ยจะเป็นยังไง จึงจะเป็นเกรดที่ดีเข้าบรดตูแห่งพระเดียบุคคลได้ถ้าเกรดไม่ดีเข้าไม่ได้นะเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเกรดไม่ดีเข้ามหาวิเลยไม่ได้ต้องนับตั้งแต่ปถมนาปอ่าอะไรเกรดสีเจดเลยเอาไปอ้างบปเอาไปเข้ามัธยมเอาไปเข้าชันทรด ม, มหาวิเลยได้สบายเลยการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะต้อง พัฒนาตัวเองให้เป็นภาวะที่รู้ให้มากๆ ม, มันก็ไม่ยากความรู้อาศัยใครก็ไม่ได้ต้องอาศัยตัวเองไม่มีบทเรียนอยู่ตลอดเวลาความรู้คงหลงกันคู่กันโชกันอยู่ตลอดเวลาความสุขความทุกข์ก็มาอะไรก็มันเกิดเยอะแยะเลยเราเยโลภโกนหลงชีเจตนาลัคะวิชาตนาวัฏานมีเยอะแยะเลยดงนะเนี่ย วิตของเรานะ่ป่าดงพงไผ่มีทุกอย่างอยู่ในชีวิตเรานะ่ความรักก็มีความจังก็มีความโลภ ค, ความโกรธความหลงเจตนาราคะก็มีแล้วแต่บัญญัติวัตถุอาการสั่งงานเราวัตถุอาการก็เต็มไปด้วยโลกมีท้องฟ้า ม, มีก้อนเมฆมีน้ำฝนมีแสงอาทิตย์มีแสงแดด มีละอองหนาวมีอะไรเยอะๆไปเลยไม่ต้องทุกข์ได้ไหมเป็นเห็นเป็นธรรมชาติเนการแม้จะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ต้องทุกข์เลยไม่ต้องทุกข์เลยนีมันทําได้จริงๆนะมาจึงเหนือกาอเกิดแก่เจ็บตายได้จริงๆอ น, นี่อันที่ประสาทเด า, าของเราอุบัติขึ้นมาได้โลก เพื่อมาโปรดสัตว์ทั้งหลายคือคนเรานเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราความรู้ความห ล, ลงมีอยู่ในตัวเราความสุขความทุกข์มีในตัวเราบางทีก็เปลี่ยนกันสุขก็เป็นทุกข์ได้ความรักกลายเป็นความชังได้เคยเสียใจเพราะความรักเคยดีใจเพราะความรั ก, ม, กมีไหมคนดีเราก็รักก็ทุกข์คนชั่วเราก็ทุกข์ เมื่อมานานมานี้ให้คนมาหาหลวงพ่อร่วมกันทั้งสองคนมีผู้หญิงสามีตายคนหนึ่งคนหนึ่งสามีอยา่าหนีไปมีเมียใหม่ก็ทุกมาทั้งสองคนก็พูดไปปางคนที่สามีตายก็หนูทำใจไม่ได้สามีของหนูเป็นคนดีมันจะททำไงก็ไม่ได้สามีของหนูเป็นคนเดีอุบัติเหต บนถนนรถจนตาย <c oughs> หนูมีลูกคนเดียวหนูเป็นพยาบาลก็พูดให้ฟังเอาคนหนึ่งก็บอกว่ า, วาหนูสามีนีไปมีเมียใหม่จะตั้งหลักตั้งฐานตั้งบริษัทมาร่ำเหลวหมดไม่มีกำลังใจเสียใจทุกนี่แหละหนูเอ้ยอันนะ สามีเป็นคนดีก็ทุกข์เหมือนกันคนนี้สามีเป็นคนไม่ดีก็ทุกข์เหมือนกันคือความทุกข์เนี้ยมันจะมายิ่งใหญ่เหลือเกินความดีก็ทุกข์ความไม่ดีก็ทุกข์ที่ใจเราเราบรรู้มันได้ไหมเนี้ยความทุกข์เนียมันมีคนประโยชน์อะไรต่อเราไม่เห็นแจ้งมันสิแล้วก็พูดในฟังเรื่องของจริงมันเป็นนี่เป็นจัตเจ ชีวิตของเราต้องเกิดต้องแจ็ต้องเจ็บ ต, ต้องตายต้องพัดภาคเกีก่วของรักของใจใจปัถนาเชิงใดไม่ได้เชิงนั้นมันเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ได้ไหมแต่ทุกคนต้องพัดภาคจากกันไปถ้าไม่ทําใจตรงนี้มันจะประเสริฐได้ไงคนเราเนี่ยก็เลยสอนเอาไปมาก็อยากเห็นเยี่ยมให้ลงตาดูชั่งหน่อยวางใจชักหน่อยเดี๋ยวนี้นะ ไม่ใช่ไปคิดอะไรเดี๋ยวนี้อันเดี๋ยวนี้มันละเดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนทุ่ทุกเป็นความไม่ทุกได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปลมรีลำไหลพิไหลลำพันอะไรเรียกว่ากำหนดรู้โดยการรู้กำหนดรู้โดยการบันเทากำหนดรู้การละอันความทุกข์นี่ไม่ใช่บันเทาเป็นการละได้เลยหนูเอย้ยอันความหิวหรือบรนเทานะทุกขนะ์เพราะความหิวต้องไปกินข้าว ทุกพอการหนาวต้องไปห่มผ้าทุกพอการ้อนต้องไปอาบน้ําทุกพอนั่งนานต้องยืนขึ้นทุกพอนอนนานต้องลุกขึ้นมันต้องมันเทาทุกอันนั้นน่ะแต่ทุกใจนี่ไม่ต้องมันเทาอูด่ามันแล้วกูจะดีใจกูข่ามันแล้วกูจะดีใจถ้ากูไม่ดา่ามันกูไม่ดีใจไม่ใช่ไปบันเทาแบบนั้นละทันทีเดี๋ยวนี้ความทุกแบบนี้มันเกิดที่เราเหรือ ไม่ใช่เกิดที่คนอื่นอทําใจก็อพอไม่น่าตาเยี่ยมจะกลับหรือจะอยู่อยากจะกลับก็อพอคิดได้จะกลับกลับไงอกลับรถโดยสารไปจําทางเอาที่นี่ไม่มีรถโดยสารมันหายากเลยให้คนหมูขับรถที่วัดไปส่งแจ้งคอมันก็เหมือนกันนันควาทุกข์คนดีก็ทํำเราคนรักก็ทํำเราเป็นทุกข์ คนไม่ดีแล้วก็ทําให้เราเป็นทุกข์มีไหมพวกเราเนะี่ยทุกข์พรคนไม่ดีมีไหมทุกข์พรคนดีมีไหมทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเอาคนอื่นมาห้อยใบเขียนเอาใจของเราไปห้อยเขียนไว้กับคนอื่นไปฝากไว้เหลือต้องเป็นตัวของตัวจึงมาผ่านตรงในบา้านเห็นมันเห็นมันมีกันทุกคน ความพอใจความไม่พอใจ ม, มีกันทุกคนความหลงความรูปมีกันทุกคนเห็นมันซะผ่านตาเรบ่อยๆจึงมีวิธีอย่างนี้มีหลักอย่างนี้การปฏิบัติธรรมมีฐานอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐาน <c oughs> กรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการกระทาเป็นที่ตั้งตรงนี้จริงๆเหมือนเขาเล่นทีมแตก่ก็ไมีเคยตั้ง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 เราเห็นน้ำน้าก็ไม่ได้ชิมเราหรือจะเดินให้งูกัดเลยไม่มีหรอกมันทุกข์ก็เห็นมันเจจะเป็นผู้ทุกข์ทำไมงูกัดแล้วเคียนตายไปแล้วร้องไห้ไปแล้วเสียใจไปแล้วเห็นมันอาจจะเป็นไงทุกข์นี่เป็นการเห็นเป็นการละทุกข์พระเจ้าเห็นอะไรเห็นทุกข์ตัดจะลูเนี่ยเห็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์สมุทัยสมุทัยต้องละ โรธทำมาแจ้งมักเป็นทางออกการมีสติเนี่ยสมบูรณแบบที่สุดเลยะสังขารก็ลรกเลยสมุทัยก็เลยคือความหลงเมื่อบันหลงก็ปร่งแต่งไปสังขารคือมันขยันปรุงขยันคิดขยันอะไรพอใจกับจางนั้นที่นี่ไปไหลเรื่อยสังขารเหมือนน้ำไหลาจากที่สูงลงตัวที่ต่ำ อะไรที่เป็นผิดผลของสังขารนนะ่ะไม่เที่ยงเท่านั้นไม่เที่ยงเลยเหมือนนายช่างปัน้นหม้อหม้อลูกไปที่นายช่างปั้นขึ้นมาแม้จะกามจะขี้เหล่จะเล็กจะโตก็แตกเท่านั้นผิดผลของสังขารเนี่ยชี้หน้ามาเลว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ใช่ตัวตนเลยสังขารนนะ่ะเห็นแจ้งจริงจริ ง, งอ่ะสมุทัยอ่ะก็ <c oughs> อะไรที่พระเจ้าตัดสรุปมันเห็นไปอย่างเนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเราได้สวดไวหมพี่ี่ยผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรร ม, มรนน อ, ออันนี้ <c ười> คือความทุกข์ส ม, มุทัยที่ไหนหถ้เกิดทุกข์มักคือดูเราเราเจอในมักคือภาวะที่เห็นที่ดูเห็นแล้วไม่เป็นกรรมัน ไม่เป็นกับมันมันสุกก็เห็นมันสุกมันทุกก็เห็นวันทุกมันหลงก็เห็นมันหลงมันลู้เห็นมันลู้มันพุ้งซ่อนเห็นมันฟุ่งซ่อนมีไหมปฏิบัติทำกันมาสี่ห้าวันนะมีกันทุกคนว่าในสอบถามนักปฏิบัติมันก็สงบลงบ้างแต่ก่อนมันหอบมาอดีตก็มาอนาคตก็มาวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหลังจิตใจของเราเนี่ย พอมาลู่ตรงนี้มก็เป็นปัจจุบันอาความเครียดก็น้อยลงหลวงพ่อแต่ก่อนความเพียรรบกวนแต่เนี้น้อยลงไม่คิดอะไรมีแต่สติเมื่อไม่มีสติเกียรันว่างไม่ปรุงไม่แต่งจะ ท, ทําไงต่อไปเขาก็บอกว่าอาถ้ามันสงบมันไม่ปุ่มก็ดีแล้วเหมือนน้ําที่มันนิ่งแล้วก็ส่องดูใบหน้าเราได้แต่ก่อนน้ํามันกับเพื่มคิดตน้นคิดนี่ไปข้างหน้าไปข้างหลัง คนหนุ่มคิดไปข้างหน้าคนชราคิดขึ้นข้างหลังวันนี้มันไม่ไปมันอยู่ปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลู่อยู่ลู่อยู่ก็มันก็หลอกไปได้คนคิดหลอกไปได้ใจก็ว่างลงว่างลงว่างลงแล้วก็นะมันนิ่งก็ดูเง า, ด, เงาดูเงาตัวเองส่องหน้าคนผมเขียนทาแป้งแต่งตัวได้ อาเกียติมนันนน่งแล้วก็อย่าไปอยู่ความเน่งยกเกียรติขึ้นสู่วิปั จ, จนาภูมิเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมอย่าให้มันว่างเฉยๆมันจะไปว่างอยู่ะมันจะไปสงบเป็นสมถมะไปคนปฏิบัติธรรมตายอยู่ตรงนั้นเยอะแยะบางทีก็รู้อะไรเป็นวิปัจจนทร์ูไปเลยรู้มากดีใจดีใจรู้อะไรสงบ ปั จ, จติส ง, งบสบายไปเลยก็อยู่ตรงนั้นแหละจะเป็นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่เกิดก่อนวิปัจนา4ี่ห้พันปีนะวิปัจนาเกิดที่พระศิรัตถะได้อวบัดขึ้นในโลกเป็นพุทธเจ้านีก็เลยเคียงบ่าเคียงไหลสมถกรรมฐานวิปัจนากรรมฐานสมถกรรมฐานนี่สอนง่าย วิปัสสนากรรมฐานต้องขยันหน่อยต้องขยันรู้สมาถานี่เอาให้นั่งนิ่งไปเลยหลับตาอ่านิ่งบริกรรมวุทธโธหรืออะไรว่าไปว่าไปให้บีบมัน้าไปบีบมัน้าไปจะมานิ่งแล้วก็ตัวแข็งได้อันนั้นเคยทำมาแล้วแต่แต่อายุ17ปีเป็นหมอเฉยชาสติฝึกสมถธกรรมฐานมา ถ้าไม่ฝึกศีสษะไม่ดีไม่เข็มขาดถ้าจะไปดูผีไล่ผีต้องบริกรรมคาถาไล่ผีถ้าจะไปจับโจรผู้ร้ายต้องบริกรรมคาถาโยงของกพัน์มองมีดเหมือนกับใบาดาว่าเหมือนกับใบหญ้าจึงจะนอนได้ถ้าจะไปจับโจรสมัยก่อนโจรผู้ร้ายลักหัวลักควายถ้ามองมีดไม่เป็นใบหญ้ า, า่ะเรียกว่าบริกรรมไม่ได้ต้องบริกรรมใจสงบะ มันก็ยังมีกิเลสต่านะความโลภความโกรธความหลองอยู่แต่ว่าวิปัชนานี่ลื้อถอนเลย็อายเหลืองปัญญาลื้อถอนได้เลยหมดเลยนะไม่มีคำว่าทุกข์เลยมีแต่ปัญญาอย่างที่เราเรียนพระสูตรต่างๆเรียกว่าภิกษุ การเจ็ดขาของภิกษุภิกษุคือผู้เห็นภยัยมีไหมความหลงใหญ่เราไหมความโกรธไหมความทุกข์ไหมความปอใจเสียใจมีไหมเยอะเรามีภัยแล้วแทนที่เราจะพึ่งใจได้จะพึ่งใจไปได้หรือว่าผู้มีภยัยไปทางใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วว่าเห็นภยัยทำไม มีการศึกษาศึกษาไงคือศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาทํำไงไปว่าปางอาตมาตาหรือบางทีก็หลอกครับจุฬาเมรยะยังกิ่นเล่ายังมีอยู่ยังมาหลอกครับว่าชุฬาเมรยะสวาทานบางคนก็บอกว่าจุฬาพ่อพระนําหน้าไปก็นี่ไปเอาดอกวันนี้เอามาแล้วเมา อ, อยู่ข้มีมันตลกไป ไม่ใช่อันนั้นเป็นศินศินมาเคอเจตนาพิกเจานางดเป็นคืออะไรเรารู้สึกตัวเนี้ยมันเป็นศินไหมเราไปพูดอะไรเราไปทําอะไรเราไปคิดอะไรเพียงแต่คิดก็อายแล้วไม่กล้าคิดรู้จักตัวก่อนมันจะทําอะไรมันก็รู้จึกตัวอยู่นี้ แล้วก็วาจาจะพูดไรเข้าไปพูดแล้วอยู่นี้มันเป็นศีลแล้วมันเป็นสมาธิแล้วมันเป็นปัญญาแล้วรูปผิดรูปถูกเมื่อมันหลง yes ก็เปลี่ยนหลงเป็นรูปเป็นปัญญาแล้วเมื่อมันทุกข์ก็เปลี่ยนทุกข์เป็นรูปพขบอกอยู่นี้ก็เป็นปัญญาแล้วเกจมันดีเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปเปลี่ยนอะไรอะไรง่วเงาห่นอนเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เป็นชิดฟงก์ชานเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เนี่ยมันทําได้จริงจริงอเรื่องนี้ ปฏิบัติได้ให้ผลได้ปฏิบัติทำเนี่ยว่ใช่มาขอมาเอาอะไรมาเสื้อมาหามาอยู่กับเราอยู่แล้วภาวะตัวรูปตัวนี้จึงมารวมกันเถอะพวกเราว่ารวมกันมาลําดับมาลำำํานําเป็นควงมโบดุลของพวกเราต้องมีทั้งป้าฉงําเนนแม่ขีวาจกบาจิกาสมบูรณ์แบบพุทธบริษัททั้งสี่ถ้าเรา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 ถ้าเป็นพระสงฆ์เจ้าอาจารย์วเทศเป็นอาจารย์ใหญ่ดูแลพระสงฆ์ได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นญาติโยงก็อาจารย์ทรงศีลอาจารย์วัฒชยัยก็ดูแลญาติโยงได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นการบริหารดูแลทั่วไปอาจารย์นดก็เป็นรองเจ้าวาดก็ดูแลถ้ามีอะไรปัญหาอะไรบอกอาจารย์โนดอาจารย์ตุม้มอาจารย์ตุม้มควบคุมทั้งหมดดูแลการอะไรต่างๆ ตั้งหดเลยหลงตานี่อาศัยเพื่อนอยู่เวลานี้แต่ก่อนมูเพื่อนมาอาศัยเราได้แล้วนี้จะต้องอาศัยเพื่อนเพียงแต่มานั่งพูดตอนเช้าตอนเย็นบางทีไม่มาบางทีก็มาก็คำพูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เป็นคำพูดของเราหลงตาไม่อยู่กับเราแล้วเรารู้ไหมมันก็ไม่อยู่ที่อื่นเลยมันหลงไว้เขไม่อยู่ที่อื่นเลยก็บอกแล้วถ้ามันหลงก็รู้ อะไรก็ตามเอาตัวรู้ไปตัวเฉลยสร้างเตจให้มันดีๆถ้ามันหลงไปมันสุกก็สุกไปเรียกว่าสอบตกนะถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์ไปสอบตกถ้ามันสุกก็เห็นมันผ่านได้ถ้ามันทุกข์ก็เห็นมันมันหลงก็เห็นมันเนี่ยตอนนี้มันยากไหมต้องไปเจนใครมาช่วยหรือหลวงพ่อหนูหลงแล้วมาช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงพอ่อหรืออาจารย์ไ ม, มีได้ไหมเป็นได้ไหมอย่างนั้นนะไม่ได้ เ, เราหลงไว้ก็รู้เอาเรารู้แล้วเอใครเอามาให้อไม่บอกใครไหมไม่บอกใครเป็นของใครปัจจิตตังปัจจิตตังคืออะไรูร้เองเห็นเองจากนี้นี่เป็นของจริงอันสมมุติไม่เป็นของจริงไม่ใช่ว่าเออคนนั้นได้ยานเท่านั้นคนนี้ได้ยานเท่านี้ให้อาจารย์ไปคนบอกค น, น, นได้ยานสี่คนได้ยานสิหกไม่ใช่ ยานคือภาวะล่วงผ่านใปพ้นหรื อ, อยังล่วงข้ามไปข้ามจากที่สุดคือการเกิดเ จ, จ็บแยบไดข้ามได้หรื อ, อยังถ้าไม่มียานไม่ใจะให้ใครมาบอกว่าได้ยานเท่านั้นยานเลยยานคือข้ามไปพ้นไปหลุดไปขนจงไปหลวงตาเคยพูด อ, อบรมพร ะ, ะนักบวชของศาสนาอื่นเราเอาขนส่งกัน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 เป็นเทวดาเป็นผมเป็นอินเป็นพระเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพุทธะในหัวใจให้มันพ้นไปจากความเป็นคนคนนี่มันปะปนกันเหลือเกิน ค, นคนุ้มร้ายคุ้มดีผูผูแพร่แพร่หว่าคนถ้ามันสูงขึ้นมาเป็นมนุษย์มันก็เหนือขึ้นมาหน่อยไม่เอาลมมาไม่เอาอารมณ์มาเป็นใหญ่เอาเหตุเอาผลเอาสติปัญญา เขาพูดดินทาอก็เออไม่เป็นไรช่างหัวมันเป็นมนุษย์แล้วเขาเสินเขาสินเสินเดอไม่เป็นไรช่างหัวมันอาจารย์พุทธาสอนว่าอย่าไม่เกิดไม่เจไม่เจ็บ เ, เป็นตายมีสามลากเอ้าไหมจะบอกนะให้ชี้น่อยเขาไหมย่าเหนือการเจ็บเจเ จ, เ จ, จะตายมีสามลากเข้าไหม <laughs> ออช่างหัวมัน มีไหมเคยว่าไหมไม่เป็นไรเคยว่าไหมเป็นเช่นนั่นเองพ้นแล้วถ้าใครว่าช่างหัวมันเน่ยอะไรเกิดขึ้นเป็นบุญอภัยทานเขาว่าอะไรก็ช่างหัวมันเคยว่าไหมสามีพัญญากันเน่ยเออช่างเราเท้อไม่เป็นไรดอกให้ไปกันได้แทนที่จะด่ากันให้ช่างแล้ว จ้างเถอะจางเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่างไปอ่าไม่เป็นไรแล้วเ อ, อก่อนโรงพยาบาลหลวงตาสอนเดนนอ่ะเดนสองคนเดินม า, มาชนกันพอชนก็นล้มท้งระดับลุกขึ้นมาต่อยกันเลยนีไหม <c oughs> มึงมองหน้ากูมไม่ใช่พ่อมึง น, น ะ, ะบางทีหลวงตายังเห็นเลยแต่ก่อนนั่งรถอ่าโดยสารไปจําทางรถสีชม้มจอดที่ โลโบลุรีเอสลาบลุรีอานำ้ำลำใหญ่นำ้ำลำใหญ่นำ้ำลำใหญ่ถงหนึ่งสองบาทถงหนึ่งสองบาทลำใหญ่ล ำ, ยยำใหญถงสองบาทสองบาทยื่นขึ้นตามหน้าต่างรถพิยมก็เอาวิชาบ้าเราล่ละถงลบาทได้ไหมถงลบาทแปลน้ำเยี่ยวแม่บงโน้อ <c oughs> <c oughs> โอยคนเรานี่ยน แล้วคนที่ว่าไงก็ว่าไงคนที่ได้ยินก็บ่าก็โกรธถ้าเราทําใจจะได้ไหมไม่เป็นไรได้ไหม้องนั่นนะเพียนไล่เป็นดีชักหน่อยได้ไหมมีไหมคนที่บ้าเราด่าเราทํางานร่วมกันเป็นใบบานทํางานเป็นตัวเองไม่เป็นไรผิดแล้วแล้วไปชากหัวเถอะอ่อะคาความดีคนเราถือสาเรื่องกันมาได้นี่อย่าหลุดพ้น ให้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองคนเนรน้อยล้มลุ ก, กัดต่งภาพหนึ่งลุกขึ้นมาต่อยกันเลยอั น, นั้นไม่มีช่างความบันไม่เป็นไรเอาภาพที่สองไอเนนเดินไปชนกันล้มลุกขึ้นมาขอโทษครับไม่เป็นไรทำใจได้ไม่เป็นไรจไไเจ็บไหมครับไม่เป็นไรเจ็บพ็อพอทนได้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 อย่าเอาเงินเอาทองเอาเข้าวของมาให้อย่างเดียวทานให้กันเพื่อนกันให้ทานกันตั้งหลงทานในบ้านในเรือนเราอาภัยให้ทานให้กัตลอดเวลาให้สร้างหลงทานตรงนี้อ่าแล้วก็ท ร, รมาทานก็บอกกันด้วยอะไรที่พอบอกกันเลยเช่นเราสามีพญยายนัยอ่ะเราสองคนนะจะทุกข์ดีมีจนเพราะเราสองคนนี่เลย อ่าจะที่อะไรผิดก็บอกเราด้วยไม่ได้ถูกก็บอกเราด้วยเวลาบอกลาเตือนก็อย่าโกรกรกันนะอย่าลงตาบวชพระหมวดเนเนเนี่ยให้นิสัยขอนิสัยต่อไปนี้เราเป็นพระตกกันนะพระของเราต้องสองฝ่ายก็มีตกกันแล้วเกิดขึ้นแล้วพระของเราต้องบอกต้องสอนนะให้เป็นคนดีอ่า ต่อพระละของคนก็ต้องเชื่อฟังเรานะอย่าดื้อเดืงเอาแต่ใจมีนิสัยยังไงมาเวลาสอนอย่าโกรธนะให้ตั้งใจฟังในดีเราจะสอนให้เป็นคนดีให้เป็นพระจะหล่อร้อมให้เป็นพระนะต้องมาสัยการบอกการสอนถ้าเราไม่สอนจะองอบไม้อาจารณี่ว่าอันเตวะเจตของอาจารย์ถ้าอยู่กับเราเป็นสัตธิภาริย์ของเราถ้าไปอยู่กับอาจารย์ก็ต้องอา อันเทวสิทของอาจารย์ต้องเคารพอาจารย์นะอย่างนี้พระบังบัที่ยกให้อาจารย์วเทพเป็นอันเทวจิทของอาจารย์วเทพอาจารย์วเทพก็เป็นอันเทวสิทของเขาหลวงตาเป็นปุบชาเป็นอัศธิภาลิกของเรารับผิดชอบอย่ากลัวกันนะเวลาถูกบอกถูกสอนอย่าเมื่อะไรต่อคํำสอนนะชี้แจําตามๆไม่เจริญนะสัญญากันอย่างนี้อยู่ด้วยกันนะเหมือนดอก งั้นเช่นได้ร้อยพวงมาลัยเรามาต่างตระกูลต่างบ้านต่างถิ่นมาอยู่ด้วยกันทำให้ในของเราเหมือนเช่นได้ร้อยดอกไม้ดอกไม้ไม่จะเป็นต่างสีเมื่อว่าร้อยเข้ากันเป็นพวงมาลัยกลายเป็นราคาขึ้นมาเข้าเตือนกันสนมีปัญญาเพื่อนเรามานะให้เวลาเตือนกันนะทุกดีมียอยู่กับเราอย่ากลัวกันนะอว่ากันอเรียกว่าปาวาลนาตอกันแล้วอย่ากลัวกัน บางทีก็คนหนึ่งเข้าใจผิดไปคนหนึ่งไม่รู้ก็ไปด่ากันเข้าใจผิดไปมีเหมือนกันอย่าไปอ่าอย่าไปโกรธร่วมคนผู้โกรธก่อนถ้าเขาโกดก่อนเขามาว่าเราถ้าคนคนกอดโกรธที่หลังเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นบาปสองเท่าคนโกรธก่อนเป็นบาปเท่าหนึง่งคนโกรธที่หลังเป็นบาปสองเท่าเขาผิดแล้วเรายังไปผิดร่วมเขาอีกมันก็เป็นบาปสองต่อ มากกว่าคนที่โกรธก่อนพระเจ้าบอกยังไงเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนกันช่วยกันตรงนี้ะสามีปัญญากันต้องช่วยกันตรงนี้ถ้าไม่ช่วนกันตรงนี้ช่วยกันตรงนี้ไม่ถือวรรักกันไม่ถือวรรคกันเลยสำหับถึงนั้นเกิดโกรธโกรธโกรธเราว่ากันแตกเล่าสองขีความโกรธเท่านี้เปลี่ยนกันได้อ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะเพราะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่ใช่อยู่วัดอยู่กับชีวิตจิตใจของเรานะ <laughs> วันนี้ก็มีแต่เรื่องจะพูดจะฟังก็สมควรใจเวลาละ่ะอ่าอ่าถ้าเอาใอใครเจ็กใ่รได้ป่วยเลยออกจากโน่อาจารย์นู้นนะเรามีรถสามคันอยู่ที่พาไปส่งโรงพยาบาลหรือปรึกษาหมอที่ก็มีแต่หมอเ็ราเราไม่เดี่ยวเปียวดอยู่เนี่ยสมควรเจเวลากับพระพ้องกัน